รายการในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการถามปัญหาธรรมะซึ่งก็ในทางผู้จัดก็ได้จัดเตรียมปัญหาธรรมะที่จะได้สอบถามท่านพระอาจารย์เพื่อให้ท่านพระอาจารย์ได้ได้กระทำปัญหาธรรมะนั้นให้มีความกระจ่างแก่ใจิตใจของพวกเราก็พวกเรานั้นได้มีความตั้งใจนะแล้วก็ฟังพระสัทธรมรมโดยเคารพผมก็จะได้สอบถามปัญหา ซึ่งปัญหาที่จัดเตรียมมานั้นก็เป็นปัญหาที่ท่านพระอาจารย์ได้บรรยายเอาไว้นะคือเรื่องอนุปุปิกานั่นเองตั้งแต่เรื่องทานเป็นต้นซึ่งในปัญหาข้อแรกนะครับก็คือจะถามว่าคําว่าทานมีความหมายว่าอะไรครับทิ่มนครับท่านอาจารย์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 แลอเขาปกาศคณะสงฆ์นะแล้วเขาจเจริญพรกับญาติโยมทั้งหลายที่ได้มีโอกาสในการที่จะมาศึกษาหรือมาฟังพระธรรมกนันในวันนี้ก็ดังที่ทางโยมอาจารย์สุรพง์เนี่ยนะท่านอาจารย์อาจารย์สุรพง์ได้สอบถามมาวันนี้ก็เป็นการ เริ่มต้นก็คือเป็นการสอบถามปัญหากันก็คงจะถามต้องภาคเช้าแล้วก็คงจะภาคบ่ายด้วยซึ่งปัญหาที่ยืนย่นเข้ามาก็ค่อนข้างเยอะนี้นะฉะนั้นตรงนี้ก็คือในฐานะที่เราเป็นพุทธบริษัทโดยเฉพาะก็มีทั้งพระภิกษุมีทั้งอุบาสกมีทั้งอุบาสิกาซึ่งภิกษุณีไม่มีแล้วนี่นะฉะนั้นในฐานะที่เป็นบริษัทของพระบรมศาสดาที่ยังทรงเหลืออยู่ ถ้าดูจาก 2,500 กว่าปีมาแล้วเนี่ ย, ยพุทธบริษัทของพระบรมศาสดานยุคปัจจุบันเนี่ยทั้งกำลังกายและกำลังญาณนะคือปัญญานั้นก็ค่อนข้างจะอ่อนแอลงเป็นไปตามลำดับถ้าพูดกันอีกทีก็คือว่าพุทธบริษัทเนี่ยในฐานะเป็นข้าราชการของพระบรมศาสดาเนี่ยกลังปัญญาก็ดีกาลังของกายกาย โดยเฉพาะกําลังกายและกําลังของปัญญาเนี่ยก็เริ่มจะถดถอยลงมาเป็นไปตามลําดับอันนั้นก็เป็นสภาพของความเสื่อมโทรมในทั้งด้านของการและสมัยที่ผ่านมาตามลําดับฉะนั้นถ้าเราดูจากในมหาปรินิพานที่พระบรมศ า, าสดาทรงบอกไว้กับพยามานบอกว่าทําไมพระบรมศาสดาจึงทิ้งขันธภาระให้กับพยามานซึ่งมาทูลขอแล้วขอเราเนี่ยนะครับ ถ้ามาพิจารณาอย่างนี้ขั้งท้ายสุดเนี่ยนะที่พระเจ้านั้นทรงสละขันธปาละให้กับพญามาร น, นั้นเน่ยเพราะว่ามั่นใจมั่นใจบริษัทของพระบรมศาสดาจะนำศาสนาของพระชินเจ้าให้อยู่คูห้าพันปีซึ่งตอนนี้ก็ฝากปันกันมาจนถึงสองพันกว่าปีแล้วทีนี้มาพิจารณาถึงพระเถรานุเถระอุบาสุบาศิกาในยุคเก่าก่อนเขาก็ถ่ายทอดนะ เดินตามสืบสืบคําสอนของพระบรมศาสดามาสุดกําลังของท่านเหล่านั้นซึ่งจกกักธรําซึ่งก็ชื่อว่าทําได้ดีที่สุดเนี่ยมายกเราท่านทั้งหลายในฐานะที่จะต้องแบกธุละภาระพระศาสนาของพระบรมศาสดาเนี่ยที่จะทําศาสนาของพระชินเจ้าให้สว่างรุ่งเรือ ง, งประดุดดังดวงประทีปเนี่ยเนี่ยคำว่าศาสนาตรงนี้ก็เป็นชื่อของศีลสมาธิปัญญาหรือเป็นชื่อของฐานศีลภาวนาเป็นต้นใช่ไหม ที่เราจะมาถกม า, ามาสอบถามหารายละเอียดกันในวันนี้ทีนี้ศาสนาของพระชินเจ้าหรือศาสนาของพระบรมศาสดานั้นน่จสว่างรุ่งเรืองประดุดดวงประทีปในกระแสใจของใครได้หรือไม่ก็อยู่ตรงที่ว่าแต่ละท่านเนี่ยมีความเข้าใจคำว่าศาสนามากน้อยเพียงไรเพราะว่าศาสนาเนี่ยถ้าไปสืบค้นแค่วัตถุอย่างนี้มันก็จะยุ่งกันใหญ่ใช่เพราะคาสอนของพระบรมศาสดานั้นขับเน้นที่ข้อบิติ ก็หมายความว่าหนึ่งพระไตรปิฎกอัตถกถาหรือดีกาต่างๆก็ประมวลคําสอนของพระบรมศาสดาไว้เพื่อให้เราเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งทีนี้มาเราศึกษาแล้วเราจะนําคําสอนของพระบรมศาสดานั้นให้เกิดขึ้นได้จริงหรือไม่ในจิตใจแล้วก็ออกมาสู่ทางกายกรรมและวจีกรรมมาพันภาคการประพฤติปฏิบัติเป็นต้นได้ในคาถาชินารังการลในข้อที่สี่ พระเจ้าพระองค์ใดทรงสละทรัพย์บุตรชายาอวัยวะและชีวิตเพื่อประโยชน์แก่ชาวโลกแล้วก็บำเพ็ญพระบารมี30มสิบทัตท่วนนี่นะแล้วก็เจริญโพธิปักขีธรรม37ประการอันหาข้อเปรียบเทียบมิได้ให้บริบูรณ์แล้วทรงบรรลุสัมมาสัมพุิธญาณอันบริสุทธิ์ให้พระคุณทั้งสิ้นถ้าเรามองดูพระจริยาคุณของพระบรมศ า, ศาสดานะซึ่งทรงบำเพ็ญมาเนี่ยถ้ากล่าวไว้ในพระไตรปิฎก ซึ่งบันทึกเขาไว้เนี่ยห้าชาติแต่สืบค้นจริงๆอาจจะไม่ถึงก็ได้เนี่ยห้าชาตินั้นเป็นพระจริยาคุณของพระบรมศาสดาถ้าเราดูในชาดกทั้งหลายเหล่านี้ซึ่งกล่าวถึงพระชาติของพระบรมศาสดาอย่างยาวไกลเนี่ยเราจะเห็นความงามของพระจริยาคุณของบุทรเจ้าซึ่งทรงบำเพ็ญทานบารมีศีลเนคขมาปัญญาวิริยะขันติสัจจอธทิฐานเมตตาและก็เวขาบารมี อุปบารมีสิบปรมัตถบารมีส0มาอย่างยาวไกลในสังสารวัฏทานับโดยพิสดารก็เรียกว่า20บ้าง40บ้างแล้วก็80อสงไข ย, ยิ่งด้วยแสนมาหากัาบเป็นต้นและสิ่งที่พระองค์ได้มาในปัจจุบันภพบก็คือได้สรีรกคุณซึ่งประดับไปด้วยมหาปุริสละคณะ3าประกาและอนุพยัญชนะ80และส่วนสุดท้ายที่ทรงได้มาซึ่งหาประมาณไม่ได้ก็คือคุณนคุณ ก็หมายความว่าอาสาธนัญญาณหพุทธญาณ14เวนิกธรรม18เวสารัชญาณสี่พทศพลญาณสิบเป็นต้นนั้นสืบคุณคุณโดยเฉพาะพระสัพพัญยตญาณที่พระบรมศาสดาทรงรอบรู้เนี่ยนะหรืออนนาวรณญาณาาที่ทรงรู้อย่างทะลุทะลวงเนี่ยยังหาประมาณมิได้ถ้าเราดูเขตของพระบรมศาสดาพุทธเขตของพระเจ้ามีสามประการใช่ไหมถ้าชาติเขตนั้นหมื่นจักรวาล ถ้านาเขตนั้นแสนโกดจักรวาลถ้าวิสัยเขตนั้นใช้คำว่าหาประมาณไม่ได้อันนั้ น, นคือพระสพัยุตยานของพระบรมศ า, ศาสดานั้นก็แผ่กว้างใหญ่ไพศาลในจักรวาลเหล่านั้นทั้งสิน้นฉะนั้นในวันนี้เราท่านทั้งหลายเป็นโอกาสดีนะที่ได้มีโอกาสในการที่จะมาสอบถามปัญหาซึ่งก็มีคณะครูบาอาจารย์นะมีท่านพระมหาสุพนมีทั้งท่าน พระอาจารย์สันติซึ่งพระเทระต่างๆเหล่านี้นะก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในทางด้านของความรู้ทางด้านของพระปริยติธรรมนะหรือทางด้านของคําสอนในส่วนของพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกและพระพิธรรมปิฎกก็นับว่ามีโอกาสดีที่พวกเราทั้งหลายได้มีโอกาสดได้มาสอบถามแล้วก็ห า, าปัญหาข้อคอรต่างๆอยู่ไหมที่ยังไม่สามารถจะกระจายออกมาได้ จะได้เข้าใจให้ชัดแจ้งและจะสามารถนำไปประพฤติปฏิบัติเป้าหมายในวันนี้ทั้งหมดเนี่ยนะฝากให้เราทั้งทั้งหลายได้มนศรีการในใจกันให้ชัดที่บอกว่าเวลาจะฟังทำเนี่นะหนึ่งต้องฟังด้วยความตั้งใจจริงๆเขามีประเด็นอยู่ว่าหนึ่งอย่าดูถูกเรื่องที่พูดนี่นะการมนติการในการที่จะฟังทำเนี่ยสองอย่าดูถูกผู้พูด คือพูดที่กําลังจะกล่าวว่าธรำเนี่ยนะประการที่สองสบสาก็คืออย่าดูหมิ่นที่จริงท่านใช้เขาว่าอย่าดูหมิ่นนะอย่าดูหมิ่นเรื่องที่พูดอย่าดูหมิ่นพูดพูดแล้วก็อย่าดูหมิ่นอย่าดูหมิ่นตนเองอย่าดูหมิ่นตนเองประการที่สมที่ประการเออประการที่สี่ก็คือว่าตั้งจิตให้เป็นสมาธิให้มั่นคงในการที่จะดูเออในการที่จะฟังเนะ คำว่าเอกกัตาในที่นั้นตั้งจิตให้เป็นสมาธิให้ตั้งมั่นเพื่อจะได้มีความจดจําหรือมีความเข้าใจให้ชัดแจ้งประการสุดท้ายก็คือตั้งโยนิโสงมนสิการคือการพิจารณาปัญหาพิจารณาข้อความหรือเรื่องราวต่างๆนั้นด้วยปัญญาอันชอบเนี่ยนะก็ให้พิจารณาในลักษณะอย่างนี้ส่วนผู้แสดงท่านตาก็สามารถที่จะ เข้าใจตัวท่านเองอยู่แล้วว่าท่านก็จะต้องกล่าวด้วยจิตที่มีเมตายัางไงนั้นท่านก็เป็นผู้ชำนาญในคำสอนอย่างนั้นฉะนั้นในส่วนประเด็นตรงนี้เราก็คือว่าทำไมเราต้องมาฟังว่าทำกันก็ในฐานะที่เป็นบริษัทของพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเราไม่สามารถที่จะรู้คำสอนของพุทธเจ้าในเชิงรู้ทั้งอัตถและปัญชนะอย่างลึกซึ้งได้ เราก็ไม่สามารถที่จะไปแก้ป ร, ประวาทะคือวาทะที่ต่างจากคำสอนของพระบรมศาสดาได้เมื่อแก้ไม่ได้ในที่สุดจริงๆเราก็แยกไม่ออกว่าระหว่างคำสอนของพระบรมศาสดากับที่ไม่ใช่คำสอนของพระบรมศาสดานั้นมันต่างกันอย่างไรฉะนั้นทุกท่านในฐานะที่เป็นภิกษุเป็นอุบาสกและเป็นอุบาสิกาโดยเฉพาะอุบาสกและอุบาสิกาเนี่ยเาแปลว่าผู้ที่เขาไปนั่งใกล้พรัชนตรัย ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจะกล่าวเนะพิกษุของเรายังไม่เข้มแข็งภิกษุณีของเรายังไม่เข้มแข็งยังไม่มั่นคงอุบาสกอุบาสิกายังไม่เข้มแข็งยังไม่มั่นคงเป็นต้นใช่ไหมยังไม่สามารถเปิดเผยแต่งตั้งเปิดเผย เ, เป็นต้นเลยหรือสามารถทําศาสนาของพระชินเจ้าให้กว้างใหญ่ไพศาลจนสามารถประกาศบอกให้เทวดาและมนุษย์เป็นต้นเนี่ยรู้ได้อย่างทั่วถึงเพียงไรแต่ฐาคตจักไม่ปรินิพพานเพียงเงินจะไม่โดยใจความเป็นแบบเนี้ย อันนั้นก็แปลว่าทุกคนต้องรับภารลธุระพระศาสนาเท่ากันเท่ากันก็แปลว่าต่างปายต่างก็จะต้องรู้คําสอนของพระเจ้าให้ชัดเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการที่จะได้นําไปบอกกล่าวว่านี้นี้เป็นคําสอนนี้ไม่เป็นคําสอนเป็นต้นเหล่านี้ฉะนั้นประเด็นเมื่อสักครู่นี้ก็คือทางอาจารย์สุรพงศ์นะถามปัญหาเรื่องทานใช่ไหมเรื่องทานกับกุศล ตรงนี้ก็คือประเด็นที่จะต้องมาทําความเข้าใจนั่นเองว่าในเรื่องของทานเนี่ยถามว่าพอพูดถึงในเรื่องของทานเนี่ยหลายหลายป่ายหลายๆท่านเนี่ยบอกวิคาวัตทั้งหลายโดยเฉพาะอุบาสกและอุบาสิกาเนี่ยให้ทานกันมาจนอายุกันก็ตั้งมากมายแล้วทําไมต้องเอาเรื่องทานนีมากล่าวเรื่องอนุ ป, ปูพีคาถาคือลําดับแห่งการแสดงที่พระบรมศาสดาเริ่มตั้งแต่ทานเรื่องศีลเนสวรรค์เนคขมาเป็นต้นไปจนจบลงในอริยสัจสีซึ่งอริยสัจสียังไม่ได้กล่าวเนี่ย เอ๊ะทำไมต้องเอาเรื่องทานมากล่าวซ้ำแล้วซ้ำอีกเยอไหมเชื่อไหมโยมว่าในบรรดาที่ชาวพทธเนี่ยพูดกันแล้วก็ให้ทานกันมาทุกยุคทุกสมัยเนี่ยส่วนคนที่มีความรู้ความรอบรู้ในเรื่องของทานนกุศลจริงๆนั้นะ่ะหาได้ไม่มากนะไม่ใช่มากนะโดยส่วนใหญ่เราจะยึดโยงตามประเพณีตามค่านิยมเดิมนั่นเองใช่ไห ม, ไหมที่มีการเนปู่ย่าตายายทำก็ทำตามๆกันมา แต่ที่จะมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเรื่องของทานยกตัวอย่างเช่นจะมีความเข้าใจในเรื่องของเจตนาทานจะมีความเข้าใจในเรื่องของอารมพาทานจะมีความเข้าใจในเรื่องของวิรติทานหรือขับเน้นไปที่ตัววัตถุทานให้ชัดแล้วก็มาแยกรายละเอียดของวัตถุทานแล้วก็ตั้งเจตนาที่เป็นไปทั้งปุพพ้าเจตนามุนจัดเจตนาและปราปราเจตนาฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องที่เราทั้งหลายจะต้องมาทําความเข้าใจใช่ไหม ฉะนั้นประเด็นตรงนี้ที่มาเปิดประเด็นตรงนี้เขาไว้นิดหน่อยก็คือต้องการอยากจะให้ท่านอาจารย์ที่ท่านมหาสุพลเป็นต้นหลไรเนี้ยนะท่านตอบประเด็นในเขาว่าทานที่เ่า ม, มาตรงเนี้ยหนะึ่งก็ยอมได้ตั้งใจที่จะฟังส่วนว่าคณะของงามาทั้งสามรูปนี้ก็คือก็จะช่วยกันเปิดประเด็นในการที่จะตอบอาจจะตอบมุมหนึ่งอาจจะยัง ต้องการเก็บประเด็นให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นก็จะช่วยกันทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเนยเท่าที่จะดีได้เนเะท่าที่ความสามารถที่จะมีส่วนญาติโยมทั้งหลายติดใจประเด็นไหนต่างๆก็สอบถามรายละเอียดกันผ่านทา ง, า ง, า ง, างอาจารย์สุรพงษ์แล้วก็สอบถามมาตามลาดับข อ, อนิมนต์ท่านมาตอบเรนะื่องประเด็นถาม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 บาสุกบัสิกาผู้ใฝ่ในกุศลทุกท่านเมื่อครุ่นี้ทางยมอาจารย์สรพงศ์ก็ได้ปรารบคำถามที่หนึ่งเกี่ยวกับเรื่องความหมายของคำว่าทานก็คงจะให้ตามความหมายของศัพท์คำว่าทานเท่าที่ได้ก่อนแล้วก็จะได้ให้ท่านอาจารย์สันติเป็นผู้ขยายความอีกทีหนึ่ง คำว่าทานนี่ก็หมายถึงของที่จะให้ทานก็ได้ของที่ถูกให้ก็เรียกว่าทานแล้วก็หมายถึงเจตนาที่จะทำให้เราให้ทานได้ก็ได้หมายถึงสถานที่ให้ก็ได้นะสถานที่ให้ทานแต่ว่าในบ้านเราเนี่ย คำว่าทานไม่ได้ไม่ได้ไปคิดความหมายอะไรกว้างขนาดนั้นที่พูดนี้ก็พูดตามในยะของภาษาเดิมเขาภาษามรดกก็หมายถึงสถานที่ให้ทานก็ได้แต่เราก็ไม่ต้องไปขยายความกันมากในส่วนตรงนั้ น, นเพราะว่าไม่ได้อยู่ในประเด็นโดยตรงที่เราะจะนำมาใช้เพราะว่าพูดถึงเรื่องสถานที่เราทำตรงไหนก็ได้นะถ้าเห็นว่ามีโอกาสมี อะไรที่เหมาะสมเข้ามาก็สามารถที่จะให้ทานได้ตรงตที่นั่นนะเพราะฉะนั้นก็มีทั้งวัตถุทานเจตนาที่จะให้ทานสถานที่ให้ทานแล้วก็กิริยาอาการที่ให้ทานก็ได้ส่วนใหญ่เราก็จะคุ้นเคยกับกิริยาอาการที่ที่ให้ทานด้วยคําว่าทานเนี่ย ต่อไปนี้ก็คงจะให้ท่านพระอาจารย์ทันติได้ขยายความในความหมายส่วนต่างๆนะะมันพระอาจารย์ครับขอนอ <c oughs> ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นกลาวนาสการปรเทรานุเท ร, ระทรข้อการกล่าวธรรมะนะครับ จันทน์อุบาบสกอุบาสิกาผู้ที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาทุกท่านก็ขอโมทนาแด่ผู้ที่จัดงานแล้วก็เจ้าหน้าที่ประธานที่พศรนี้ด้วยได้ร่วมกันในการที่จะจันรุ่งพระศาสนาพระพุทธศาสนาหมายถึงคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะซึ่งการที่พระศาสนานีจะขับเคลื่อนไปได้ก็ต้องอาศัยพุทธศาสนิกชนที่เป็นพุทธบริษัท นะซึ่งพวกเราเองก็มีหน้าที่ในการที่จะช่วยกันรักษาศาสนาซึ่งก็เป็นหน้าที่ที่ไม่ได้มีใครบังคับนะแต่เกิดจากศรัทธาและปัญญาซึ่งเขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐนะิที่เข้าใจชีวิตตนเองว่าคนที่ไม่มีที่พึ่งอยู่เป็นทุกข์เมื่อคนที่ไม่มีที่พึ่งอยู่เป็นทุกข์แล้วเราจะพึ่งอะไรก็จากอัตฉยาสัยการสั่งสมในอดีตของเราซึ่งเรียกว่าปุเพกตาปุญญาตา มีการสั่งสมมาในการทธรรมให้เราพึ่งพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสังครัตนะแต่เผอิญว่าบุญเราน้อยไปนิดนึงที่ไม่พบรูปกายของพระศาสดานะไม่พบขันห้าของพระศาสดาซึ่งทรงพระชนอยู่แต่ปัจจุบันนี้ยังเหลือพระธรรมนะซึ่งพระพุทธเจ้าก็ได้มอบไว้เป็นตัวแทนของพระองค์ แล้วก็ส่งแสดงพระธรรมไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นจึงเห็นเราตถาคตเพราะฉะนั้นการที่เราจะรู้จักพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าได้ดีเท่าไรก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเข้าใจคำสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าได้เท่าไรเราสามารถที่จะปลูกศรัทธาจนทั่งทำใหถึงปัญญาซึ่งเป็นอินรี่ห้านะเป็นสิ่งที่เราจะต้องอบรมเริ่มจากการมีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิ แล้วก็จบลงที่ปัญญาเป็นสิ่งที่เราจะต้องเพิ่มพูนให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นเันการฟังธรรมะของเรานี้ก็เพื่อที่เราจะรู้จักพระศาสดาให้ยิ่งขึ้นนั่นเองการที่เราจะเข้าใจพระธรรมให้ยิ่งขึ้นจะทําให้เรารู้จักพระอริยสงฆ์มากขึ้นและตัวเราเองก็สามารถที่จะอบรมคุณธรรมเพื่ความเป็นพระอริยสงฆ์ทําให้พระพุทธศาสนานั้นเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปแต่เริ่มต้นนั้นก็คือจะต้องให้พระพุทธศาสนาเจริญในใจของเราเองก่อน นั่นอย่างที่เริ่มต้นจากคำถามนี้ซึ่งคนคิดคำถามนี้คิดคำถามมาถึงห้าสิบข้อนะอามาลองคำนวณดูแล้วนะมีเวลาประมาณสักหกชั่วโมงนะเพราะฉะนั้นจะตอบได้ข้อละประมาณเจ็ดนาทีถึงจะตอบจบนะแต่ว่าก็อาจจะมีปัญหาสดๆถามขึ้นมาแล้วพระภิกษุเองก็อาจจะช่วยกันในการที่จะขยายความ นะให้ญาติโยมได้เข้าใจในพระธรรมคําสอนยิ่งขึ้นนั้นก็อาจจะไม่มีการที่จะล็อกตายตัวนะว่าจะต้องแค่เจนาทีเท่านั้นนะเพราะบางข้ออาจจะตอบแค่ไม่ถึงนาทีนะก็อาจจ ะ, ะมีการขยายในบางข้อนะก็จุดประสงค์ก็คือเพื่อที่จะให้ญาติโยมได้เกิดความเข้าใจในพระธรรมคําสอนนะเพื่อที่จะทําให้เราได้ อบรมไตรสิกขาหรือว่ามรรคเนองแปนให้เจริญพอ่อผลยิ่งขึ้นเรื่องของทานกุศลจะมีบุญกิจกรรวัตถุ3อย่างก็คือทานศีลภาวนาอันนี้แสดงทั่วท่วไปแต่ว่าจะมีคำสอนอีกอันหนึ่งที่แสดงเรื่องของศีลสมาธิปัญญานะก็จะมีความแตกต่างกันนิดนึงแต่ความจริงแล้วโดยอัตถะแล้วคืออันเดียวกันนะ ถ้าปกติแสดงเรื่องทานเนี่ยจะเน้นกับเรื่องของญาติโยมเป็นส่วนใหญ่ของพระบิณฑษุนั้นไม่ค่อยมีวัตถุในการที่จะให้เท่าที่ควรแต่ความจริงแล้วก็ถ้าใครมีอัธยาศัยก็าสามารถที่จะสละให้ทานได้เพราะว่ามีอาหารบินดบาบัดมีปัจจัยสี่ที่ญาติโยมถวายมาก็สามารถสละได้เมื่อเห็นประโยชน์เพราะฉะนั้นทานนี้เป็นกุศลขั้นพื้นฐานของพุทธศาสนิกชนนะที่จะต้องบำเพ็ญเพราะอะไรเพราะว่าชีวิตของแต่ละคนเกิดมาด้วย อาศัยตันหาที่เขาเรียกว่านะภาวะตันหารวมทั้งกรรมตันหาเป็นปัจจัยด้วยชีวิตคนเราเกิดมาแล้วต้องมีการแสวงหาทุกคนเกิดด้วยกิเลสนะมีกิเลสเป็นปัจจัยจึงทําให้เกิดถ้าสิ้นกิเลสก็ไม่เกิดเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ต้องมีกิเลสต่อไปอีกเป็นอุปนิสัยทุกคนจึงมีการแสวงหาของสัตว์ไร้ชาตกับมนุษย์ที่จะมีความแตกต่างกันหน่อยหนึ่งซึ่งความเหมือนกันก็คือมีการมาสัญญา ทุกคนเนี่ยมีการมสัญญานะสัตว์เดรัจฉานก็มีการมสัญญาต้องแสงหากรามต้องแสงหาการกินนะสัตว์เดรัจฉานก็ต้องรู้จักนอนไม่มีใครสอนให้สัตว์เดรัจฉานนอนนะมันรู้จักนอนเองแล้วก็มีการเสพกามมีการผสมพันมนุษย์เราก็มีเหมืกันนะมีความต้องการในการนอนต้องการในการบริโภคกามต้องการในการที่จะแสงหากามคุณต่างๆเหมือนกันแต่ว่าสัตว์เดรัจฉานไม่มี แต่มนุษย์มีอย่างเดียวเท่านั้นคือธรรมสัญญามนุษย์สามารถแยกแยะผิดชอบชั่วดีได้เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เริ่มต้นจากการเสียสละาการให้แต่ละคนจะมีแก่การสั่งสมกิเลสเฉพาะคูณมากขึ้นจะแก่งแย่งจะเบียดเบียนจะเข็นฆ่าถ้าเปรียบเทียบแล้วทุกวันนี้วันวันหนึ่งคนคิดจะให้กับคนคิดจะเอาอันไหนมากกว่าการยอมว่าคนคิดจะเอาเนี่ยมีมากกว่า เพราะฉะนั้นถ้าแต่ละคนแต่ละคนก็คิดจะเอากันทุกคนทุกคนเป็นยังไงนะเอาบ้านเดียวของเราบ้านเดียวตื่นเช้ามาพ่อก็จะเอาเงินจากแม่แม่ก็จะเอาเงินจากลูกลูกก็จะเอาเงินจากพ่อแม่พี่น้องแต่ละคนก็จะเอาถามว่าบ้านนั้นจะมีความสุขไหมไม่มีเลยนะแล้วถ้าเกิดโยมก็จะเอาพระก็จะเอาเหมือนกันนะตกลงเป็นยังไงศาสนาอยู่ได้ไหมก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็จะต้องเริ่มต้นจากการเสียสละพระพุทธเจ้าที่ทรงมีพระ ปัญญามากเลยใน ก, กานที่จะรู้ว่าถ้าเราไม่มีการสละนะชีวิตเราจะไม่มีความสุขและสังคมนั้นๆก็จะมมไม่มีความสุขเลยนะมันก็เริ่มต้นจากการที่จะต้องมีการให้ทานเป็นกุศลเบื้องต้นเลยการบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงคิดได้ก่อนเลยก็คือทานะบา ร, รมนะีถ้ามีการเสียสละความเป็นวัตสัมมาสมัมพุทธเจ้าก็ไม่สามารถจะเป็นไปได้แม้การเป็นพระอริยาสาวกถ้ามีการเสียสละวัตถุภายนอกจะสละกิเลสได้อย่างไร เพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการสละแต่เป้าหมายการสละนี้ก็ต้องเกิดจากการฟังธรรมนะถ้าเราไม่ได้ฟังธรรมละเอียดเราก็จะไม่รู้เลยว่าการสละของเราบางครั้งเพิ่มภูนกิเลสได้ด้วยนะแต่ถ้าเกิดคนมีปัญญาฟังธรรมเข้าใจก็จะรู้ว่าการสละนี้ควรจะเป็นการสละวัตถุไปพร้อมกับกิเลสด้วยกิเลสของเราควรจะต้องลดลงโดยเฉพาะความตระหนี่และความโลภนะเพราะนั้นสําหรับทานนั้นข้อหมายสามอย่างหรือสี่อย่างเนี่ยนะก็คือ เป็นเจตนาในการแย่สละวัตถุถ้าในพุทธศาสนาบุญกิริยาวัตถุทานนามัยต้องมีสัมมาทิฏฐิด้วยเพราะฉะนั้นจะต้องสละวัตถุไปพร้อมกับกิเลสด้วยเราก็ควรจะต้องมีสัมมาทิฏฐิมีโ ย, โยนิสมบนัตการว่าจะสละวัตถุอย่างไรจะคิดอย่างไรจึงจะทําให้กิเลสลดลงกิเลสลดมากเท่าไหร่อานิสง์มากเท่านั้นนะแต่ถ้าอยากได้ผลมากเท่าไหร่อานิสง์ผลก็จะลดลงเท่านั้นด้วยอำนาจของกิเลสนั่นเองนะ มันข้อแรกทานะเจตนาการสระวัตถุไปพร้อมกับกิเลสด้วยข้อหมายที่สองก็คือวิรัตนะวิรัตทานเนี่ยก็หมายถึงการให้ความปลอดภัยกับชีวิตของคนอื่นวิรัตนั้นก็หมายถึงศีลห้านั่นเองนะเป็นอภัยทานถ้าเราไม่ฆ่าสัตว์ก็เท่ากับการเราที่เราให้ชีวิตเขาไม่รักทรัพย์ก็ให้ความปลอดภัยกับทรัพย์สินสมบัติของเขานะไม่ประพฤติผิดในการมก็ให้ความปลอดภัยกับ นะภรรยานะหรือว่ า, าดิดาของคนอื่นนะไม่มุษาว่าก็ให้ความจริงนะแล้วก็ไม่ดื่มสุราเมลัยก็เป็นการให้ความปลอดภัยทั้งปวงเลยอันวิรัตนี้ก็เรียกว่าทานได้เหมือนกันแต่ว่าไม่ชาติไม่ใช่ทานน้าไม้กุศลในบุญกิริยาวัตถุนะเพราะว่าวิรัต น, นั้นหรืออภัยทา น, นั้นเป็นศีลจัดว่าเป็นศีลส่วนความหมายที่สามเป็นวัตถุทานก็คือสิ่งที่เราจะให้เนี่ยนะวัตถุข้าวของอะไรต่างๆเนี่ยนะ วัตถุทานต่างๆเนี่ยมาก็สรุปแล้วถ้าพูดถึงทางวิรัยก็คือปัจเจศีเป็นวัตถุทานที่เราจะถวายได้ถ้าพูดถึงว่าโดยพระสูตรก็วัตถุทาน10อย่างนะมีข้าวน้ํายานผ้าของหอมพงุงมาลาดอกไม้ที่นอนที่อยู่อาศัยพวกนี้ปฏิบปุ่นนี้เป็นวัตถุทานโดยนัยพระสูตรส่วนถ้าเป็นนัยพิธรรมก็เป็นการให้อารมณ์6กนั่นเอง สิ่งเหล่านี้เป็นวัตถุที่เราสามารถที่จะให้ได้แต่วาจุดสําคัญอีกอันนึงก็คือการให้ทานจะเกิดได้แม้มีความตั้งใจแล้วก็ต้องมีอะโลพะที่มีกาลังด้วยเพราะฉะนั้นอาโลพะทานเนี่ยท่านก็สมเคราะห์ว่าเป็นทานด้วยนะก็คือจะต้องมีความไม่โลภนะเวลาใส่บาเสร็จจ้ประคุณขอย่วนวลนี้ถูกรอตตอรี่ป็นวันที่หนึ่งด้วยเถิดนะมีอโลพะทานไหมเนี่ยมีไหม มีตอนสละให้หน่อยนึงนะแต่หลังจากนั้นก็มีแต่โลภะเพราะฉะนั้นทานนี้เนี่ยไม่เป็นทานนะับุญกิริยาวัตถุในพุทธศาสนาตรงๆหรอกนะเพราะถ้าทานในพุทธศาสนาตรงๆเนี่ยจะต้องมีที่ถูชุ ก, กรรมมีความเข้าใจเรื่องกรรมและผลของกรรมล้วก็จะต้องน้อมไปในการเจริญกุศลให้ยิ่งยิงขึ้นด้วยก็คือเพื่อที่จะอบรมศีลและสมถาวิปัสสนาเพื่อขัดเกลากเลสเพราะฉะนั้นถ้าทําทานแล้วมุ่งหวังผล ก็เท่ากับว่าเราแลกเปลี่ยนเท่านั้นเองอ่ะใช่ไหมเราเอาวัตถุทานไปแลกเปลี่ยนเพื่อจะได้ผลที่ดีออกมาท่านั้นเองแต่ว่ามีความเชื่อกรรมและผลองค์กมอยู่บ้างนะแต่ว่าไม่สามารถควบคุมอากัสรคือกิเลสได้เอาเท่านี้ก่อนนะอาาอจารย์มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับปัญหาค้นี้ท่านอาจารย์ถือว่าจบแล้วใช่ไหมครับผมจะได้สรุปไหมหรืออาจารย์จะต่อหรืออาจารย์มีอะไรจะเพิ่มเติม ตรงนี้ก็สรุปนิดหนึงเนื้อคือพูดถึงมาสักครู่ทางท่านอาจารย์สันติได้ขยายโยนในเรื่องคําว่าเจตนาทานโลภะทานไว้หน่อยแล้วก็ไปสรุปลงในเรื่องของวัตถุทานคือในชา้นของอามิสทานเนี่ยท่านแยกเป็นสามส่วนในส่วนของพระวินัยในส่วนของพระสูตรในส่วนของพระพิธรรมอันนั้นคือตัววัตถุทานถ้าในส่วนของพระวินัยก็มีปัจจัยสี เครื่องนุ่งหม่มอาหารที่อยู่อาศัยแล้วก็ยารักษาโรคอนนั้นในยะของพระวินัยท่านในยะของพระสูตรที่บอกอันนางปานนางขลังวัฒนถังเวต้วนนะฮะที่บอกให้ข้าวน้ําที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งหม่มดอกไม้ยานผ้านะเครื่องรูปไร้ของหอมที่นอนเครื่องให้แสงสว่างสิบอย่างท่านในยะของพระวิธรรมก็รูปปัตนังสัททานั ง, าานงกันทาตานังระสาทานัง โพธพท า, านังแล้วก็ธรรมาทานังก็คือให้รูปเป็นทานให้เสียงเป็นทานให้กลิ่นให้รสให้โพธภะให้ธรรมาลมเป็นทานเป็นต้นอันนั้นคือหลักแห่งการที่จะต้องไปวิจัยวัตถุเอาอะไรไปวิจัยเอาจิตหรือเจตนาที่ตั้งใจจะวิจัยทานนั่นเองฉะนั้นถ้ามองในลักษณะอย่างนี้ก็ประเด็นที่จะฝากตรงนี้ให้คิดก็คือว่าระหว่างเจตนาทานคือจิตที่คิดจะให้กับตัววัตถุทานน่ะคือวัตถุคือสิ่งของที่พึงให้อ่ะ ถามว่าทั้งสองสิ่งเนี้ยอะไรสําคัญที่สุดใช่ไหมเราก็บอกว่า เ, เจตนาสําคัญที่สุดแต่อย่าลืมนะเจตนาเนี่ยเป็นธรรมที่เกิดร่วมกับบาปก็ได้เป็นธรรมที่จะเกิดร่วมกับบุญก็ได้เจตนาที่เป็นไปกับโลภะก็ให้ได้ใช่ไหมให้เราปรารถนาอยากจะมีคนเลือกเยอะๆอย่างเงี้ยก็เป็นโลภะได้ใช่ไว้ใ ช, ใช่อันนี้ไม่ได้กระทบกผมพูดในช่วงนี้ให้ฟังให้คิด ว่าจิต ท, ที่คิดจกให้นะมันมีทั้งโลภะก็ได้ทั้งโทสะก็ได้แม้ในโมหะก็มีเจตนาที่คิดจะให้ได้เบ้าอเงินเยอันะงั้นตรงนี้ก็ต้องระวังว่าต้องขับเน้นให้ชัดว่าต้องให้ด้วยจิต ท, ที่เป็นกุศลเท่านั้นจึงจะเรียกว่าทานเพราะในศาสนาของพรชิฐเจ้าพระบรมศาสดาบำเพ็ญบรารมีเนี่ยในด้านบรารมีข้อแรกเนี่ยทานเนี่ยยกไว้เป็นอันดับต้นๆเพราะ ถ้าทานบรารมีนหรือทานกุศลเดินไม่ได้แล้วเนี่ยจะเดินเข้าสู่ศีลกุศลก็ยากหืดขึ้นคอก <c oughs> ็หมายความว่ามันยากมากเพราะจะต้องผ่านชั้นมีความเข้าใจในชั้นทานกุศลอย่างดีนะเช่นจะต้องเข้าใจตัวเจตนาทานซึ่งเมื่อสักครู่ทางท่านอาจารย์สันติกล่าวมาหรือสัพท์ในความหมายที่ท่านมาอาจา ร, รย์มหาสุพลเนี่ยพยายามแยกให้เห็นประเด็นคำว่าคำว่าทานนั้นต้องเข้าใจให้ชัดหนึ่งความหมายของศัพท์ นะความชื่อของฐานสองเกี่ยวในเรื่องของเจตนาทานคือจิตที่คิดจะให้และในสักครู่ในทางท่านอาจารย์สันติบอกไม่ใช่เฉพาะเจตนาอย่างเดียวใช่ไหมกระหวะเจตนาต้องเป็นธรรมชาติที่กระตุ้นเตือนชักนําสัมบูุทธรรมกระตุ้นเตือนอะไรกระตุ้นเตือนอะโลภาคือความไม่โลภในใจให้เด่นชัดขึ้นเพราะอโลภานี่จะไปยึดติดที่วัตถุสิ่งของคือสิ่งของที่จะให้สัตว์โลกทั้งหลายเนี่ย โดยเฉพาะว่าเราจะให้ของที่เราไม่ค่อยอยากจะใช้เห็นไหมมันจะเป็นลักษณะอย่างเนี้ฉะนั้นเจตนาคือจิตที่คิดจะให้นั้นต้องปรุงแต่งและต้องกระตุ้นความไม่โลภต้องชักนําความไม่โลภเพราะว่าตัวเจตนาเหมือนหัวหน้าสิทธิ์หรือพูดให้ชัดก็คือเจตนานั้นประดุดังแม่ทัพฉะนั้นตัวเจตนาจะต้องไปกระตุ้นเตือนความไม่โลภให้มีความเด่นชัดขึ้นในใจเมื่อความไม่โลภความไม่ติดข้องในวัตถุสิ่งของเด่นชัดขึ้น เป้าหมายต่อไปก็คือต้องไม่โกรธใช่ไหมความไม่โกรธคืออโทสะต้องเด่นขึ้นเพราะความชื่นใจไงก่อนให้ก็ดีใจค่ะให้ก็เลื่อมใสให้แล้วก็ปลื้มใจเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยความที่จะปลื้มใจจะเลื่อมใสได้นะั้นอาโทสะคือความไม่โกรธต้องชัดในใจเป้าหมายต่อไปสังเกตุไหมทางท่านอาจารย์สันติจะกล่าวว่ากรรมสกตาปัญญาต้องมีความเข้าใจในเรื่องของกรรมและผลของกรรมถ้าพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบา ร, รมีทานบา ร, รมี ท่านรู้ไหมว่ากรรมที่ท่านกระทําในเม็ดบุญที่ท่านจ่ายลงไปหรือท่านสละเนี่ยทรัพย์สมบัติที่มีทั้งหมดก็เพียงอุปการลาบุคคลอื่นเท่านั้นอวัยวะทุกชิ้นตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นก็เพื่ออุปการลาแก่สัตว์อื่นเท่านั้นแม้ชีวิตที่มีอยู่ก็เพียงเพื่อจะสละให้กับบุคคลอื่นเท่านั้นถามว่าตรงนั้นรู้อะไรรู้กรรมไง ว่าสิ่งที่ให้ไปแล้วผลที่จะตามมาคือสัมมาสัมโพธิญาณใช่ไหมนั่นคือระดับสัมมาสัมโพ ธ, ธิหรือสิ่งที่ให้ไปแล้วเห็นไหมว่าเนี่ยถ้าโยมเคยอ่านหนังสือของท่านอาจารย์มหาสุพลเขียนใช่ไหมโพน้อยใน ด, ดวงใจนี่โฆษณาอันนี้หนึ่ง <c oughs> ก็จะเห็นเลยนะเขียนคำว่า ก, กรณีที่ว่าสัมมาสัมโพ ธ, ธิปจเจกับโพ ธ, ธิสาวกับโพ ธ, ธีนั่นมาจากทานทานอกุศลเป็นต้นใช่ไหมทานอกุศลเป็นต้นหรือทานบารมีเป็นต้นอันนั้นแปลว่าอะไรรู้ไหม ก็แปลว่าข้อมูลในการที่จะต้องรู้และเข้าใจว่าให้นั้นอะเป้าหมายคืออะไรเห็นไหมทานกุศลพระโกดมศาสสาตรัสว่าดูก่อนพิกษุ์ทั้งหลายถ้าใครรู้ผลของทานกุศลอย่างที่ตถาคตรู้บุคคลนั้นที่จะไม่ให้ทานก่อนแล้วบริโภคเป็นไม่มีนั่นแปลว่าอะไรแปลว่านั้นวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเราจะต้องมีมณสิกา ร, ร์ในใจว่าวันนี้ถ้าเราไม่ให้อย่าพิ่งบริโภคก็ข อ, ขอสรุปไปเด็นไว้แค่นี้นละย บขอบพระคุณท่านพระอาจารย์ครับก็ในเรื่องปัญหาข้อที่หนึ่งะครับที่ได้ถามไปว่าทานมีความหมายอะไรนะซึ่งท่านพระอาจารย์สุพลท่านก็ได้ให้ความหมายของศัพท์ว่าทานซึ่งสรุปแล้วเนี่ยก็จะมีความหมายอยู่4ประการด้วยกันนะครับความหมายประการแรกก็หมายถึงสิ่งที่ถูกให้นะที่ท่านอาจารย์กล่าวว่าสิ่งที่ถูกให้คือวัตถุทานนั่นเองนะก็ได้แก่พวกปัจจัย4 นะครับหรือวัตถุสิ่งของต่งตางๆที่เราได้บริจาคอันนั้นก็เรียกว่าทานนะในความหมายทานในความหมายก็าาคือสิ่งที่ถูกให้ได้แก่วัตถุทานส่วนความหมายที่2ก็ได้แก่สภาพธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดการให้นั่นเองนะครับที่ท่านเรียกว่าเจตนาทานนะท่านบอกว่าได้แก่เจตนาทานส่วนอย่างที่3นะก็คือสาลาทาน ก็คือหมายว่าสถานที่นะที่เราทําทการให้กันนะหรือเรียกว่าโรงทานนั่นเองอันนี้ก็เรียกว่าเป็นความหมายทานได้หรือกริยาการใหนะ้กริยาการหยิบยื่นนะก็เรียกว่าทานทีนี้ในความหมายทั้งสี่ประการนี้นะครับที่มีความหมายสําคัญนะก็คือตัววัตถุทานกับเจตนาทานนะวัตถุทานกับเจตนาทานเพราะว่าสองสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องคู่กันอยู่เสมอนะครับ อันนี้คือสรุปความหมายสี่ประการด้วยกันซึ่งในปัญหาข้อที่สองอก็จะมีความเกี่ยวข้องกับในปัญหาข้อที่หนึ่งก็คือในปัญหาข้อที่สองนะครับได้ขอถามท่านพระอาจารย์ว่าอะไรเป็นสภาพธรรมของทานคำว่าอะไรเป็นสภาพธรรมของทานในที่นี้นะครับก็ต้องการที่จะทราบถึงตัวธรรมะที่เกี่ยวกับเรื่องของที่เป็นเหตุอย่างการให้ที่ท่านอาจารย์ยกตัวอย่างว่าเจตนาบ้าง วิรติทานบ้างอะโลภทานบ้างอย่างตรงนี้นะครับอยากให้ท่านอาจารย์ได้ขยายว่าเจตนาเนี่ยมันไปนเหตุให้เกิดการให้ได้อย่างไรหรือวิรตินะครับทําไมจึงเรียกว่าทานบางครั้งท่านอาจารย์สันติท่านได้กล่าวว่าเป็นศีลนะแต่นี้มันก็มีว่าวิรติทานถือว่าเป็นได้ทั้งสองอย่างรู้ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็อะโลภทานสามตัวนี้ครับอยากให้ท่านอาจารย์ได้ขยายความ นะครับให้แจมแจ้งอีกสักครั้งนะครับกับนิมนต์ท่านพระอาจารย์ครับรวมต้องจะเพาะหน่อยนึงว่าอาจารย์ไหนก็จริงจริงก็จะตอนนี้ยังไม่ได้เจาะจงเลยครับก็เลยแต่ว่าท่านอาจารย์จะจะรูปใดจะโยนกันอาจารย์เด็กภาษาใช่ไหม ก็ก็กก็็้นีเกี่ยวเรื่องของเจตอสภาพธรรมสภาพธรรมในที่นั้นพูดถึงกลุ่มกลุ่มตัวตัวนามธรรมคือที่มาจะคําว่าทิยติเอเตนาติทานังชนทั้งหลายพึงให้โดยเจตนานี่เจตนาที่เป็นเหตุแห่งการให้เราพูดถึงเจตนาเนี่ยพูดถึงตัวสังขารธรรมเจตนาคือจิตที่คิดจะให้เนี่ยตัวสภาพธรรมต่างๆเหล่าเนี่ยคือจิตที่คิดจะให้ พอพูดถึงว่าจิตที่คิดจะให้เนี่ยกลุ่มนมามธรรมก็พูดถึงในด้านของกุศลธรรมทั้งหมดกุศลธรรมทั้งหมดคือมีการประมวลคือความคิดขึ้นมาในการที่จะให้ไอ้สภาพธรรมต่างๆเหล่าเนี้ยให้สังเกตดูนะว่าเจตนาเนี่ยไอ้สภาพธรรมกรณีการเจตนาคือจิตที่คิดจะให้เนี่ยไม่เท่ากันอันนี้เวลาพูดถึงกลุ่มเจตนาทั้งหลายต้องยกเรื่องมาประกอบถึงจะชัดถ้าโยมฟังเรื่องมาตามลําดับเกี่ยนเรื่องของฐานเนี่ยจะเห็นชัดว่า ตอนที่อกิติฤศีเนี่ยใช่ไหมให้ใบหมากเมาที่ใ บ, บหมากเมาเนี่ยต้นหมากเมาที่ท่านอยู่ในป่าแล้วประพฤติเนคข ม, ม่าบะนมีเนี่ยจะเห็นได้ว่าท่านนําใบหมากเมาห้าใบมาเนี่ยแล้วก็มานึง่งพอมานึ่งเบเีเสร็จท่านก็ใส่ถาดแล้วท่านก็คิดว่าถ้าวันนี้นี่ยมีใครมาขอใช่ไหมท่านก็เฉสละถ้าเรามองอย่างนี้ตัววัตถุทานเนี่ยเราจะเห็นว่ามือนเรื่องเล็กน้อยมากเลย เพราะเป็นใบไม้ถ้าเราดูอย่างนี้นะแต่ความยิ่งใหญ่ของใบไม้นั้นก็คือเนื่องด้วยชีวิตของท่านเนื่องด้วยอวัยวะของท่านและความยิ่งใหญ่อีกประการหนึ่งที่จะเห็นชัดเจนคือตรงที่ทางจารย์สุรพงษ์ถามมา ก, ก็คือว่าตัวสภาพธรรมที่เด่นมากสภาพธรรมที่เด่นมากก็คือตัวโอโลภทานก็เด่นตัวเจตนาคือความจงใจหรือจัดแจงตั้งใจก็ชัดและให้เห็นอีกจุดหนึ่งก็คือว่าท่านบอกว่า เหตุที่ท่านสละท่านให้ในกรณีให้สังเกต ด, ดูความปลื้มใจของท่านนะเมื่อท่านได้สละให้กับพรามที่มาที่ว่าสกกะเทา้าสกกะมาในร่างของพรามมาขอท่านก็มีความปลื้มใจตลอดถึงทั้งวันแล้วไม่หิวข้าวเลยเนี่นอันนี้เราจะเห็นชัดนะเห็นสภาพธรรมที่เกิดขึ้นในใจของอกิติรูษีเห็นว่าสภาพธรรมที่เกิดขึ้นตรงนั้นคือเจตนายิ่งใหญ่มากกล้าสละ สภาพธรรมอีกอย่างหนึ่งก็คืออโลภะความไม่หวงในวัตถุในสิ่งของนั่นเลยและก็ไม่เสียดายชีวิตด้วยประการต่อมาก็คืออโทสะก็เด่นมากคือความไม่โกรธสภาพใจที่ผ่องใสสภาพใจที่ปลื้มบีตีและสภาพธรรมอีกอย่างหนึ่งเด่นชัดก็คือตัวปัญญาซึ่งเป็นเป้าหมายหลักสําคัญที่สุดนะว่าทานกุศลนั้นต้องวิ่งไปถึงสภาพของปัญญาที่ชัดคือกรรมสกตาปัญญาที่ท่านได้บำเพ็ญบรารมีในข้อเนี้ เพราะเป้าหมายของท่านคือสัมมาสัมพวิยาณและท่านก็บอกว่าถ้าหากวันพรุ่งนี้มีคนมาขอท่านก็จะสละอีกแล้วก็มาจริงๆด้วยมาทั้งสาวันนี่ไหมแล้วท่านคิดบอกถ้ามาเดือนหนึ่งท่านจะให้ทั้งเดือนถ้ามาสองเดือนท่านก็ให้ทั้งสองเดือนอย่างนี้เป็นต้นอันนี้แปลว่าอะไรแปลวความยิ่งใหญ่ของสภาพธรรมที่เด่นชัดในใจตรงนี้ก็ต้องการพูดให้เราทั้งหลายได้เห็นชัดว่าวัตถุทานวัตถุทานนั้นเป็นอยู่ระดับสอง แต่เจตนาทานเป็นต้นคือกลุ่มนามธรรำทั้งหลายเนี่ยเป็นสภาพธรรมที่จะต้องทําให้เด่นขึ้นเด่นจนถึงขนาดว่าก่อนให้ก็ดีใจขณะให้ก็เลื่อมใสให้แล้วก็ปลื้มใจแล้วไม่ใช่เด่นเพียงแค่นั้นข้อมูลทางด้านปัญญาต้องชัดใช่ไหมหนึ่งให้ด้วยศรัทธาซึ่งเป็นศรัทธาทานอย่างไรเชื่อกรรมและผลของกำรรเนี่ยจะต้องสภาพจิตนั้นต้องเชื่อต้องเลื่อมใสมีความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหว ถามว่าคนบำเพ็ญบารมีเป็นพระโพธิสัตว์เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวซึ่งสัมาสมโพธิญาณถ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าก็เชื่อมั่นไม่หวั่นไหวซึ่งปเจกับโพธิญาณถ้าสาวกของพระพุทธเจ้าก็เชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในสาวกสาวกโพธิญาณอย่างเราท่านทั้งหลายก็เชื่อมั่นไม่หวั่นไหวว่าการให้ทานเพื่อเป็นปัจจัยแก่ความสิ้นจากวัฏทุกุกทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นไอ้ความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวเหล่านี้ผลก็ยิ่งใหญ่ถ้ายังไม่พ้นทุกข์ก็บริบู ทั้งสมบัติภายในและภายนอกหรือถ้าเป็นขนาดที่ให้ก็มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าให้ด้วยความเคารพใช่ไหมให้ด้วยความนอบน้อมซึ่งเป็นสักกัจจทานซึ่งให้ด้วยความนอบน้อมการให้ด้วยความนอบน้อมให้ด้วยความเคารพเนี่ยผลก็ยิ่งใหญ่เป้าหมายสูงสุดก็คือพ้นทุกข์แต่สิ่งที่เราจะได้ตามมาก็คือบริษัทบริวารก็อ่อนน้อมก็เชื่อฟังไม่ขัดอกขัดใจเลยนอกจากเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยซับแม้ในการเวียนว่ายตายเกิด และประการต่อมาก็เป็นการละทานใช่ไหมการลท า, านก็ไปขยายในการให้ของใหม่เป็นทานเป็นต้นนี่นก็ไปดูรายละเอียดทีทีว่าทําไมเราไม่ได้บรรลุ ก, ก่อนเหมือนพระโกนธัญญาเป็นต้นเหล่านี้ก็เพราะเราขาดการละทานที่ชัดเจนอย่างนี้เป็นต้นอันนั้นก็ไปตรวจสอบรายละเอียดนั้นเกี่ยวความเข้าใจเกี่ยวเรื่องปัญญาล้วนๆเนนะืประการต่อมาก็คืออนุคีตาทานใช่ไหมก็หมายความว่าให้โดยการอนุเคอสละขาดไม่ยึดยองไม่หน่วงเหนียวไว้ตันหาด้วยอํานาจของความตนหนีหรือความหวงแหนเป็นต้น การสลัดในลักษณะอย่างนี้ก็จะเป็นปัจจัยต่อการที่ว่าเกิดมาก็กล้าที่จะใช้ทซั์ไม่เหมือนปูส่สงเฝ้าซับนี่นะฮะประการต่อมาก็คือว่าอนุปหัจทานก็คือการให้โดยการไม่กระทบตนและบุคคลอื่นกระทบตนเองบ้างกระทบบุคคลอื่นบ้างกระทบทานตนเองบ้างกระทบทานกทบทานับบุคคลอื่นบ้างอย่างนี้ถ้าให้ไปแล้วก็ทรัพย์ที่ได้มาก็ไม่ไม่เสียหายเพราะน้ํำท่วมไฟไหม้เป็นต้นด้วยแล้วก็ให้เนืองนิดขณะให้ก็เลื่อมใสให้แล้วก็ปลื้มใจนั้นเป็นไปตามหลักของ สัพพริสถานทั้งห้าบ้างแปดบ้างตามความหมายนั้นไอ้ตรงนี้ก็ก็นี่คือสภาพธรรมที่จะต้องปรุงแต่งให้เกิดขึ้นฉะนั้นแม่งท่งนามมาทำก็ต้องทำให้ชัดท่านอาจารย์มีอะไรเสรับทนค้มคำถามว่าอะไรเป็นสภาพของฐานทนะ่านพระอาจารย์ก็พูดถึงตัวเจตนา ก็คงจะได้คำตอบหรื อ, รอว่าได้แง่มุมในส่วนนั้นไปนโยมก็อยากจะเสริมนิดนึงไม่ใช่เสริมพระอาจารย์นะคือตอบคำถามเสริมต่างหาก <S <S เจตนาเนี่ยมันมีหลายเจตนาใช่ไหมโยมนี่ถามว่าอะไรเป็นสภาพของทานก็เจตนาที่คิดจะให้นะ ไม่ใช่เจตนาอะไรอีกมากมายเพราะว่าทุกอย่างในโลกนี้ในสิ่งมีชีวิตเนี่ยจะทำอะไรมันก็ต้องมีเจตนาทั้งนั้นสภาพของทานก็คือเจตนาที่คิดจะให้เจตนาในการบริจาคให้โดยไม่หวังผลตอบแทนอันนี้ก็สั้นๆกันแล้วกันนะส่วนวิรัตวิรติทาไมจึงเป็นทานนะปกติท่านพระอาจารย์ก็พูดเหมือนกับจะเป็นศีลด้วยทางพ่ ถามก็เลยยังสงสัยว่าตกลงมันเป็นทานตอนไหนเป็นศีลตอนไหนหรือว่ามันเป็นทั้งสองอย่างนะวิริยะที่ท่านพระอาจารย์ทันติพูดถึงก็คือศีลห้านะศีลห้าเนี่ยปกติมันก็จะต้องอยู่กับเจตนาในการงดเว้นนั่นแหละนะเพราะว่ามันเกิดด้วยกันนะถ้าจะว่าเป็นทานเพื่อจะเป็นศีลก็ต้องดูที่เจตนาในการงดเว้นในคราวนั้นๆนะถ้าเรา งดเว้นไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์อะไรปกติเนี่ยก็คงจะเป็นศีลแต่ถ้าเราคิดเจตนาลงไปว่านะชีวิตเขาเขาก็หวังที่จะมีอายุยืนยาวนานเราก็อยากจะให้เขามีชีวิตยืนยาวนานต่อไปนั่นแหละนะให้ความปลอดภัยให้ให้ชีวิตเขายาวขึ้นอย่างนี้ให้เขาอยู่ได้ตามกรรมของตัวเขาเองเนี่ยนะการงดเว้นในคราวนั้นก็มี เจตนาที่จะให้ชีวิตเขายาวนานประกอบไปด้วยอันนี้ก็จะเป็นทานนะเป็นทานแต่ถ้าเราไม่ได้คิดประเด็นนี้ก็คงจะเป็นแค่ศีล น, นะแต่ว่าเมื่อมันเป็นทานที่คิดจะให้ชีวิตเขาไปด้วยเนี่ยศีลได้ไหมก็ได้ไปด้วยกันก็ได้ไปด้วยกันแต่ว่าจะเน้นหนักที่เพราะว่าถ้าเราดูในพระสูตรนั้นเนี่ย